ทนี้ก็ขึ้นกันสุดท้ายว่านครกันเนี่ยนะก็กลับบ้านกลับเมืองเนี่ยนะกลับไปอยู่บ้านอยู่เมืองฝ่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยนะได้สดับดังนั้นแล้วก็จะตรัสกับพระชนกจึงตรัสคาถานี้ว่าพระองค์และชาวชนบทชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยทำจากแว่นแคว้นพระโพธิสัตว์นี่ก็ไม่จะว่าอา้าวยกให้แล้วก็รีบรับเลยนะไม่ใช่ อตอนก่อนก็พร้อมกันประชุมไล่ไม่ใช่หรืออ่างเ้ย น, นะก็ถูกไล่มาเนี่ยเพิ่งถูกไล่มาหยกๆเนี่ย่างเงี้ยพระเจ้าสรรชยัยเมื่อจะยังโอรสให้อดโทษก็ตรัสว่าลูกรักจริงทีเดียวการที่พ่อให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีโทษเพราะถ้อยคําของชาวซีพีนั้นน่ะเชื่อว่าพ่อได้กระทํากรรมอันชั่วช้าทำกรราอันทําลายความเจริญแก่พวกเราก็เลยอ้อนวอนลูกเพื่อจะนําความทุกข์ของพระ อ, องค์ไปเสียตรัสต่อไปว่าธรรมดาบุตร ควรนำความทุกข์ของบิดามารดาหรือพี่น้องหญิงออกเสียด้วยคนที่ควรสรรเสริญอันใดอันหนึ่งแม้ด้วยชีวิตของตนเนีนะคือธรรมดาลูกนะไม่ควรจะทําให้พ่อไม่สบายใจใช่ไหมควรจะนําความทุกข์ของพ่อออกไปไม่ใช่หรือมาจะมาพูดให้พ่อสะเทือนใจแบบนั้นนะลูกก็ไม่ควรพูดให้พ่อสะเทือนใจหรอกแบบนั้นอธิบายว่าธรรมดาบุตรพึงนําความทุกข์ เพราะความเศร้าโศกของบิดามารดาไปเสียแม้ต้องสละชีวิตเพราะเหตุนั้นลูกอยากเก็บโทษของพ่อเอาไว้ในใจลูกจงทำตามคำของพ่อจงเปลื้องเพศฤาษีออกแล้วก็ถือเพกศกษัตริย์เธอนะลูกนะแต่ว่าลูกศึกเธออย่างนั้นพระโพธิสัตว์แม้ใคร่ครวนจะครองราชสมบัติแต่ถ้าไม่ได้พูดคำเท่านี้นะก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่หนักอะไร เนี่ยนะว่าอ้าวเขาให้ก็รีบรับเลยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้หนักแน่นอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องกล่าวถึงภูมิหลังก่อนเนี่ยนะจึงจะเรียกว่าผู้ผู้หนักแน่นใครครวนแล้วเพราะเหตุนั้นก็ตรัสกับพระรา ช, ชบิดาพระเจ้าสรนชัยเนี่ยนะทรงอาราธนาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ว่าสาธุดีล ะ, ะเราอมตะหก 0,000 ืนผู้สหาชาติรู้ว่าพระโพธิสัตว์รับอาราธนาก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าวเวลานี้เป็นเวลาทรงสนานพระวรกาจงชำระล้างทุรีและสิ่งเปรอเปื่อนเถิดก็คือเวลาอาบน้ำจะได้จะได้อภิเศกกันนะอภิเศกในป่าเลยแต่ตอนนี้ก็ไปอาบน้ำก่อนพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านทั้งหลายรอสักครู่หนึ่งก็เข้าไปยังบรรณสศาลาเปลื้องเครื่องรือสีเก็บไว้ทรงพระภูษาเนี่ยเหมือนสีสังสเสด็จออกจากบรรณาศาลารำพึงว่า สถานที่นี้เป็นสถานที่เราเจริญสมณธรรมเนี่ยนะสิ้นเก้าเดือนครึ่งเนี่ยนะบําเพนธรรมะอยู่ที่นี้9้าเดือนครึ่งและสถานที่นี้เป็นที่แผ่นดินไหวเหตุเราเนี่ยถือเอายอดสุดเนี่ยนะคือยอดแห่งพระบารมีบริจาคปิยบุตรคือบริจาคลูกอันเป็นที่รักแล้วก็บริจาคทาระเนี่ยนะทาระคือบริจาคภรยาอันเป็นที่รักเป็นทาน พอรำพึงอย่างนี้แล้วก็ทําประทักษิณบรรณาศาลาสามรอบกราบด้วยเบญจางคปดิษฐ์แล้วก็ทรงสถิตยอยู่เนี่ยนะก็กราบและลึกถึงคุณว่าอาศัยณสถานที่นี้แหละจึงได้มีโอกาสให้ลูกเป็นฐานได้จึงมีโอกาสได้ให้พัญญาเป็นฐานได้ถ้าอยู่ในวังตลอดนะถามว่าจะให้ได้ไหมใครจะไปขอโอ้ยใครจะกล้าไปขอเนะีแต่คิดนี่คนก็จะตัดหัวอยู่แล้วงเ้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเทวดาทั้งหลายที่จริงๆแล้วนะ เหตุที่ให้มาอยู่ป่าเนี่ยเทวดาคุมเกณฑ์เป็นหลักเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอ้าจงเดินตามนี้ตามนี้ตามนี้นะเรียกว่าเปิดทางให้ปิดทางอื่นเปิดทางนี้นะจริงๆแล้วกิจของการบําเพ็ญอ่ะเป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์แต่ว่าเทวดาทั้งหลายถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับพวกอะไรนะถ้าเป็นกีฬานะก็คือพวกดูแลนักกีฬานะก็บอกจงเล่นอย่างนี้นะจงไปอย่างนี้ก็เปิดทางให้แต่ว่าเล่นเองไม่เป็นหรอกแต่ว่าบอกคนอื่นเขาได้ว่าเออเดินตามนี้นะเหมือนกัน ทีนี้ฝ่ายเจ้าพนักงานมีภูสามาลาเป็นต้นก็ทํากิจมีการจําเริญพระเกศาแปล ว, ว่าตัดผมจำเริญเนี่ยนะจริงๆน่าจะทําให้ผมยาวนะนี่ไม่ใช่หรอกแปล ว, ว่าตัดผมแล้วก็พระมสสุเป็นต้นจำเริญพระม ส, สุก็โกนหนว ด, โ, นวดโกเนเเขานั่นแหละแห่งพระโพธิสัตว์ชนทั้งหลายก็พิเศษพระโพธิสัตว์ประดับด้วยราชาพรทั้งปวงผู้รื่นเรงิงเหมือนกับเทวราชในราชสมบัติเนี่ยนะก็คือ อภิเศกนั่นเองจากนั้นพระเวสสันดรก็ชำระล้างธุลีเป็นของไม่สะอาดสละวัดปฏิบัติทั้งปวงทรงเพศเป็นพระราชาครั้งนั้นพระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้มีพระยศใหญ่สถานที่พระองค์ทอดพระเนตรแล้วทอดพระเนตรแล้วก็หวั่นไหวเนี่ยนะคือคือพระองค์เนี่ยมองดูใครเนี่ยคนก็หวั่นไหวหมดเลยนะเราผู้รู้มงคลก็ ทรงจำมงคลเอาไว้ด้วยปากก็ยังมงคลทั้งหลายให้กึกก้องพวกประโคมก็ประโคมดนตรีทั้งปวงขึ้นพร้อมกันความกึกก้องโกลาหนแห่งดนตรีเป็นการครึกครื้นใหญ่ราวกว่าเสียงกึกก้องแห่งเมฆคำรามกระหึ่มในท้องมหาสมุทรฉะนั้นเหล่าอมาตประดับหัตถีรัตนาะคือช้างแก้วแล้วก็เตรียมเทียบไว้รับเสด็จพระเวสสันดรมหาสัตว์ทรงผูกพระแสงขันรัตนาะและเสด็จขึ้นหัตถีรัตนะคือช้าง เหล่าอมารหก0 0 0 0นผู้สหาชาติทั้งปวงประดับด้วยเครื่องศัพท์พระอลังการเวทล้อมพระโพธิสัตว์ฝ่ายนางกัญญาคือ น, นางทั้งหลายผู้หญิงนะทั้งปวงก็ให้พระมัสสีสนานพระวรกายแล้วก็แต่งพระองค์ถวายอภิเศกเมื่อถวายก็รดน้ำสำหรับอภิเศกหน้าพระเศียรแห่งพระนางมัสสีได้กล่าวมงคลทั้งหลายเป็นต้นว่าขอพระเวสสันดรเนี่ยนะจงอภิบาลพระแม่เจ้าเนี่ยนะบอกว่าให้ให้ใหพระเวสสันดรปกปักรักษานะ ขอให้พระชาลีและพระกัรหาชินาทั้งสองพระองค์จงอภิบาลแม่เจ้าก็คือขอให้ลูกนี้เป็นที่พึ่งพิงอ่ะนะขอพระเจ้าสันชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาแม่เจ้าเถิดพระเวสสันดรและพะนางมัต ส, สีทรงได้ปัจจัยนี้ทรงอนุสน์ถึงการประทับแรมในป่าอันเป็นความลำบากของพระองค์มาแต่ก่อนจึงให้ตีอนันทเพริเที่ยวเปล่าร้องตามเวิ้งเขาวงกต อันเป็นที่ควรยินดีอนันทะเนี่แปลว่าความน่ายินดีเพรีแปลว่ากรองให้ตีกรองเป็นที่น่ายินดีเนี่ยนะหน้าบันเทิงเนี่ยขึ้นพรมสศีได้ทรงปัจจัยอนุสอ์ถึงการประทับแรมอยู่ในป่าเป็นความลําบากแห่งพระองค์มาก่อนพระนางจึงพร้อมด้วยพลักษณะมีใจร่าเริงยินดีที่ได้พบพระโอรสพระธิดาพระนางมสศีได้ปัจจัยอันนี้ระลึกถึงป่าเป็นที่ประทับแรมเนี่ยนะอันเป็นความลําบากของพระองค์มาแต่ก่อน ก็มีทรงมีลักษณะดีมีใจอิ่มใจแล้วก็พร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดานะก็ทุกอย่างมันบริบูรณ์เข้าเรวเข้ารูปเข้ารอยหมดแล้วก็ทุกอย่างก็ลงตัวหมดเลยเหมือนันพระนางมัสสีก็ได้ตรัสกับโอรสธิดาว่าเน่ลูกรักทั้งสองเมื่อก่อนแม่กินอาหารมือเดียวนอนเหนือแผ่นดินเป็นนิดแม่ได้ประพฤติอย่างนี้เพราะใคร่ต่อลูก วัดนั้นสําเร็จแล้วแก่แม่ในวันนี้เพราะอาศัยลูกทั้งสองวัดนั้นเกิดแต่แม่ก็ตามเกิดแต่พ่อก็ตามจงอภิบาลลูกนะนะพอแม่ก็เหมือนกันนะนะพอได้บุญไหนมีอะไรดีก็คิดถึงลูกนะขอให้อยากได้ความเจริญนี่ให้มาเกิดมีแก่ลูกอันหนึ่งขอพระมหาราสชสรนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแม่และพ่อได้บําเพ็ญไว้จงสําเร็จแก่ลูกนะนะพอแม่ทําบุญไว้ก็ให้ลูกนั้นมีส่วนนะ ด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นทั้งหมดขอลูกอย่าแก่เร็วแล้วก็อย่าตายเร็วเนี่ยนะแปลว่าอย่าแก่อย่าตายมีอายุมั่นขวัญยืนเถื่อนนะแต่เชื่อไหมว่าตายหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะตอนนี้ชาตินั้นก็ตายมาชาติหลังตอนนี้ก็ไม่เหลือดับขันป ร, ริณิพานกันหมดเลยฝ่ายพระนางพุทธดีเทวี TV, คิดว่าตั้งแต่นี้ไปลูกสะพ้ยของเราจงนุ่มหง่งภูสานี้และอาภร์เหล่านี้พอคิดอย่างนี้แล้วก็ ให้บรรจุวัถาพรณ์วัถาแปลว่าผ้าอภรรยแปลว่าเครื่องประดับเนี่ยนะก็เครื่องประดับคือผ้าให้เต็มหีบทองก็ส่งไปประทานเนี่ยนะใส่เอาผ้าใส่หีบทองส่งไว้ให้ลูกสะพ้ยว่า mm hmm. พระนางพุ้สดีราชเทวีผู้พระ ส, ส, สุขคือแม่ผัวได้ประทานกับปาสิกพัดโคมพัดและโกธุมพรพัดอันเป็นเครื่องงดงามแห่งพระนางมัตสีผู้พระสุนิสาเนี่ยนะ ที่จริงพ้าเนี่ยแปลว่าผ้านะพ้าตระระตัวนั้นแปลว่าผ้าแะก็ประทานผ้าชนิดต่างๆไปให้ลูกสะายแต่นั้นพระนางเจ้าประทานเครื่องประดับพระซอไปด้วยที่ที่ทำด้วยทองคำนะเครื่องประดับต้นพระกรเครื่องประดับคอเครื่องประดับต้นพระกรว่ากันเครื่องประดับบั้นพระองค์ด้วยแก้วมณีบั้นพระองค์ก็คือเครื่องนี่แหละเข็มขัดนั่นแหละเครื่องประดับพระซออีกชนิดหนึ่งมีสันฐานเหมือนกับผลอินทพาลัม ประดับแล้วไปด้วยทองคําเครื่องประดับพระซอแล้วไปด้วยรัตนะเนี่ยนะเครื่องประดับคอนี่มีหลายชุดมาก น, นะก็ปกติแล้วก็โปรดปรานมากแลยนะเกี่ยวกับเครื่องประดับทั้งหลายเพราะฉะนั้นเครื่องประดับพนาราชขจิตด้วยสุวรร์เป็นต้นเครื่องประดับนาลาดนาลาดแปลว่าหน้าผากเนี่ยนะเพราะอินเดียนี่ก็จะเห็นนะเครื่องประดับหน้าผากย ой, ้อยลงมานิดหนึ่งนะพณราชแต่ว่าหน้าผากแล้วก็เครื่องประดับสุวรรณส่วนพระกายมีพระทนเป็นต้น มีเครื่องประดับฟันด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงต้องถามหมอนะเครื่องประดับฟันนี่ประดับตรงไหนดีนะพระทนเนี่ยนะถ้าช้างก็ยังช่วนะมันลังงาออกมาข้างนอกก็ประดับประดับงานะมนุษย์นี่ประดับปากไมประดับฟันนี่ประดับตรงไหนดีนะฟันทองเหนะไห่ฟันทองกับฟนะันธรรมดาไหนงะามกว่ากันเนยนะังไงเอายิ้มมาแล้วก็เหลืองหมดเลยเนะี่ยไม่รู้จะยิ้มออกแล้วเป่า แล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะแล้วไปด้วยแก้วมณีและเครื่องประดับสรวงเครื่องประดับบาอังศาด้วยนะเครื่องพาดตาเครื่องประดับบั้นพระองค์คือแล้วก็เข็มขัดอีกนั่นแหละที่สําเร็จด้วยเครื่องไอ้นะเข็มขัดเงินเข็มขัดทองนั่นแหละเครื่องประดับพระบาทคือรองเท้าแล้วก็ที่ปักด้วยได้แล้วก็ที่ไม่ได้ปักด้วยได้เป็นเครื่องงดงามแห่งพระนางมัตซีเนี่ยนะผู้พระสุนิสาเนี่ยนะก็มีเครื่องแต่งองค์เยอะแยะไปหมดเลย พนางมัตสีผู้ราชบุตรีทรงเพ่งพินิษฐพระวรากายอันยังบกพร่องด้วยเครื่องประดับนั้นนั้นก็ประดับให้บริบูรณ์งดงามเหมือนเทพกัญญานในสวนนันทวันแปลว่างามเหมือนกับนางฟ้าในสวรรค์ชั้นดาวดึงกันพนางมัตสีเนี่ยสนานพระเศียรรูปพระภูษาอันสะอาดประดับด้วยพระราชปิรันธนาพรทุกอย่างนะแต่ไทยๆนี่ต้องสสยจะสรรเสริญแต่เครื่องประดับผู้หญิงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยนะ เพราะฉะนั้นวันนั้นก็ลีลาดงามมากเหมือนกับกับททลีชาติต้องลมที่เกิดณนะจิตละดาวันสมบูรณ์ไปด้วยริมพระโอษฐ์มีสีแดงเหมือนผลตำลึงแล้วก็พระนางนี้มีพระโอษฐ์แดงเหมือนผลใสสุกงามเนี่ยนะประหนึ่งกินรีอันเรียกว่ามานุสินีเพราะเกิดมามีสรีระดุจมนุษย์มีเปียกอันวิจิตกลางปีกรอนไปในอัมพรวิถีฉนั้นเนี่ยนะ ฝ่ายอัลมาทั้งหลายนําช้างตัวประเสริฐไม่แก่นักเนี่ยนะช้างแก่ก็ไม่ไหวเหมือนนะควรจะไปย <c oughs> อยู่หากินบ้างนะไม่ใช่เอามาใช้งานจนแก่ตายก็ไม่ไหวนะมันก็เอาช้างที่ไม่แก่นักเป็นช้างทนต่อหอกและสอนมีงานเนี่ยนะเหมือนงอนรถสามารถนาําเพื่อมานาำผนางมาสัสซีเนี่ยส่งผนางมัสซีนั้นเสด็จขึ้นสู่ช้างตัวประเสริฐไม่แก่นักเป็นช้างทนต่อหอกและสอนเนี่ยนะมีงานเหมือนกับงอนรถ ที่กำลังกล้าหาญดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอัมมาทั้งหลายได้นําช้างหนุ่มเชือกหนึ่งซึ่งไม่แก่นักแก่นักนี่ใช้กัามครั้งแล้วนี่นนแสดงว่าแก่นไม่ค่อยดีนักนะนะพระเวสสันดรและพระนางมัซซีทั้งสองนี่ก็เสด็จไปสู่กองทัพด้วยพระอิสริยยศ ด, ด้วยประการชนีฝ่ายพระเจ้าสรรชัยมหาราชประพาสเล่นตามภูผาและป่าประมาณเดือนหนึ่งด้วยถวยหารสิองอัคโขพินีเนี่ยนะ พานมรึกและนกในป่าใหญ่ทั้งเพียงนั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไ ร, ร่ด้วยเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์เขาบอกว่าเหล่ามรึกชาติและปักสีมีอยู่ในป่านั้นทั้งหมดเพียงไรย่อมไม่เบียดเบียนกันและการด้วยเดชานุภาพแห่งพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรผู้ยังศีพให้เจริญเสด็จไปแล้วเหล่ามรึกชาติและปักสีที่มีอยู่ในป่านั้นทั้งหมดเพียงไร ต่างมาชมนุมในที่เดียวกันเมื่อพระเวสสันดรผู้ยังแคว้นสีพีให้เจริญสเสด็จไปแล้วเหล่ามรรคชาตและปักษีชาติในป่านั้นทั้งหมดเพียงไรต่างไม่ร้องเสียงหวานคือรู้เลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสัตว์ทั้งหลายจะเบียดเบียนกันอีกเนี่ยนะคือตอนที่พระโพธิสัตว์อยู่นะสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อกันพอ พระโพธิสัตว์จากไปก็ทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ยนะก็สถานที่ไหนที่เหมือนกันอย่างนี้นะว่าที่ไหนที่มีพระราชามีประมุกที่มั่นคงนะอมัดก็ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมแต่ถ้าพระราชาจากนะปล่อยให้เหล่านี้ปกครองนะเดี๋ยวก็สึกชิงกามก็มาแล้วพวกนี้ก็จะเหมือนกันพวกสัตว์เหล่านี้นะพอไม่มีที่สงบร่มเย็นพึ่งเพีย ง, งก็เอาเอีกแล้วทะเลาะกันอีกพระเจ้าสรนชยัยนรินทรราช พอประพาสเล่นตามภูผาและราวพรายเนี่ยนะประมาณเดือนหนึ่งกับถวยหารทั้งหมดแล้วก็ตรัสเรียกเสนาคุดอามาตมาถามว่าเราทั้งหลายอยู่ในปากเนี่ยกันนานแล้วทางเสด็จของบุตรเราพวกเจ้าจงตกแต่งแล้วหรืออามาตก็กราบทูลว่าแต่งแล้วแล้วก็ทูลเสด็จว่าถึงเวลาเสด็จแล้วพระเจ้าค้าก็โปรดให้ทูลพระเวสสันดรให้ตีกลองเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครและก็ทรง พากองทัพเสด็จกลับพระเวสสันดรมหาสัตว์ เ, เสด็จยาตราด้วยราชบริพารใหญ่สูม่มรคาที่ตกแต่งแล้วกําหน ด, ดได้60โยต์ตั้งแต่เวิร์กเขาวงกฏจนถึงกรุงเชตุดรเนี่ยนะก็ร่วมพันกิโลนั่นแหล ะ, ะทางหลวงที่ตกแต่งแล้ววิจิตรงดงามโปรยปลายด้วยดอกไม้ตั้งแต่เขาวงกฏที่พระเวสสันดรประทับจนถึงกรุงเชตุดรแต่นั้นโยธาหกหมืโงดงามหน้าทัศนา นางข้างในราชกุมารพ่อค้าพราม์กองช้างกองม้ากองรถกองราบห้อมล้อมพระเวสสันดรผู้ยังสีพีให้เจริญผู้สเสด็จไปอยู่โดยรอบทหารสวมหมวกทรงหนังเครื่องบังที่คอถือธนูนนสวมเกราะไปข้างหน้าพระเวสสันดรผู้ยังแคเว้นสีพีให้เจริญผู้สเสด็จไปอยู่และชาวชนบทชาวนิคมพร้อมกันห้อมล้อมพระเวสสันดรผู้ยังชาวสีพีให้เจริญผู้เสด็จไปอยู่โดยรอบ พระอาชาเวสันดรเ น, นี่ยนะล่วงหนุนทางได้60โยอดใช้เวลาสองสองเดือนเนี่ยนะจนถึงกรุงเชตุดอนแสดงว่าเดินทางวันละ16กิโลเมตรเนี่ยนะเดินทางไปเรื่อยค่อยรอนแรมไปพอไปถึงพระนครก็เข้าสู่ปราศาสตร์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นเข้าเมืองที่น่ารื่นรมมีประการสูงและหอรบประกอบด้วยข้าวน้ำและการฟ้อนรำขับร้อง ทั้งสองเมื่อพระเวสสันดรมหาสัตว์ผู้ยังชาวสีพิรัตให้เจริญเสด็จถึงแล้วชาวชนบทและชาวนิคมพร้อมกันเนี่ยนะมีจิตยินดีเมื่อพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรมหาสัตว์ผู้พระราชทานทรัพย์เสด็จมาถึงการยกธงแผ่นผ้าเป็นไปนนะรับสั่งให้ตีนันทเพรีเป่าร้องในพระนครโฆษณาให้ปล่อยสัตว์ที่ผูกขังไว้พอไปถึงเมืองนะชิ้นแรกที่สั่งออกไปคือปล่อยสัตว์ที่ขังทั้งหมดเลยนะ ในวันที่เสด็จเข้าไปสู่พระนครนั่นเองพระเวสสันดรก็คิดว่าคิดในเวลาใกล้รุ่งนะเนีพอผ่านไปคืนหนึ่งนะเช้าก่อนจะสว่างคิดว่าพรุ่งนี้ราตรีสว่างแล้วพวกยาจกรู้ว่าเราเนี่ยกลับมาแล้วก็จะพากันมาเราจะให้อะไรแก่ยาจกเหล่านั้นก็คิดถึงวัตถุที่จะให้ทานต่อไปนะเนี่ยงานของเขาชาบนี้ให้อย่างเดียวเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ให้เนี่ยนะก็เสด็จไปให้แก่สัพพสัตนั่นแหละ ในขณะนั้นพี่พบแห่งท้าวสากฤตเทวราชก็สัมแดงอาการเร่าร้อนพระองค์อาวัชนาการแปลว่าคี้ถึงก็รู้เหตุการณ์อันนั้นก็เลยยังพื้นที่ข้างหน้าข้างหลังแห่งพระราชนิเวศให้เต็มไปด้วยรัตนสูงประมาณเอวบันดาลให้ฝนรัตนเจ็ดเนี่ยตกลงมาราวกับฝนลูกเห็บ น, นะฝนเงินฝนทองฝนกหาปณะนฝนทรัพย์สินก็ตกลงมาเลยนะก็อย่าลืมนะว่าของในโลกเนี่ยนะมันจะมีค่าหรือไม่มันอยู่ที่ผู้มีบุญเนี่ยนะ ถ้าผู้มีบุญไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนของสิ่งนั้นมันจะมีค่าทั้งหมดแต่ถ้าคนมีบาปไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนนะสิ่งนั้นจะเสียหายไปหมดเนี่ยนะก็ปกตินะคนมีบุญเขานั่งรถดีๆใช่ไหมคนไม่มีบุญไปให้รถชนอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละค่าของมีคนมีบุญไปเกี่ยวข้องอะไรสิ่งนั้นจะดีทันทีเหมือนบ้านเรือนก็เหมือนกันคนมีบุญไปอยู่มันจะสะอาดน่าดูมากคนไม่มีบุญไปอยู่นะดูพักเดียวกคนั้นนะดูไม่ได้เลยว่างั้น มันก็สมบัติที่ประณีตทั้งหลายในโลกนี้ของของคนมีบุญจริงๆเนนะเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์โปรดให้ประทานทรัพย์ที่ตกอยู่ในพื้นที่ข้างหน้าข้างหลังแห่งตระกูลนั้นนั้นว่าจงเป็นของตระกูลเหล่านั้นแหละแล้วก็ให้นําทรัพย์ที่เหลือขนเข้าท้องพระคลังกลับด้วยซัพย์ในพื้นที่แห่งพระราชินิเวศของพระองค์แล้วก็เริ่มตั้งทางแห่งฐานมุขาดแปลว่าประตูประตูแห่งทางก็ตั้งให้ทามอย่างเดียว เมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์ผู้ยังศีรีรัตให้เจริญเข้าพระนครแล้วฝนเวลาหกเทพพุทรได้ยังฝนอันล้วนแล้วไปด้วยทองคำให้ตกลงมาในการนั้นแต่นั้นพระเวสสันดรขัติยาราชบำเพ็ญทานบารมีเบื้องหน้าแต่สิ้นชีพพระองค์เป็นผู้มีพระปรีชาก็าเข้าถึงสวรรค์นเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่ า, าแผ่นดินไหวนะช่วงที่ฝนเงินฝนทองตกลงมาช่วงนั้นก็แผ่นดินไหวสรุปในพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะ แผ่นดินหวอยู่เจครั้งด้วยกันเนนะเจ็ดครั้งครั้งที่หนึ่งก็คือตอนที่อายุ8ดขวบคิดจะให้ทานเนี่ยนะคิดจะบริจาคทั้งหมดตอนนั้นก็แผ่นดินไหวตอนที่สองตอนที่ให้ช้างเนี่ยนะให้ช้างก็แผ่นดินไหวครั้งที่สก็ตอนที่หันหลังกลับมาดูเมืองนะหลังจากที่บริจาคศาสดกหมาทานหันหลังกลับมาดูเมืองก็แผ่นดินไหว ครั้งที่สี่ก็ตอนที่ให้บุตรเป็นทานเนี่ยนะครั้งที่หก็ให้ภริยาเป็นทานครั้งที่6ก็ตอนที่ญาติประชุมกันและฝนบกครพัฒเนี่ยนะช่วงนั้นก็แผ่นดินไหวแล้วก็คราวที่ฝนเงินฝนทองตกลงมาเนี่ยนะที่ถึงเมืองอะนะตอนนั้นก็แผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่เจครั้งด้วยกันก็บอกว่าทานทั้งที่มีอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดแม้สมัยพุทธกาลก็ไม่มีให้ทานแบบนี้แล้วแผ่นดินไหวไม่มี มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แผ่นดินไหวก็ตอนที่พระองค์รับวิหารเวลุวันครั้งแรกเนี่ยนะที่ที่เขาถวายวัดเวลุวันนะตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยนะแต่ปกตทิทั่วไปแล้วก็ไม่มีทีนี้หลังจากที่พระเวสสันดรเ น, นี่ยนะจุติพระเวสสันดรก็ปฏิสนธิในดุสิตทีนี้พอพระองค์เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะสวรรค์ชั้นดุสิตนี้วัน จาตุ ม, มหาราชนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของของเขาเท่ากับห50ปีของเราดาววดึงก็ร้อปีของเรายามายามาก็200ปีเนี่ยนะดุสิตก็400ปีเนี่ยนะนิมมานาราดีก็800ปีปรานิมมิตาวสวัตดีก็1 600ันหกรปีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งของดุสิตเท่ากับ400ปีร้อยสี่ปีมนุษย์แล้วอายุของเขาเนี่ยนะสี่พันปีที่ 4,000 ปีทิพย์ก็เทียบเป็นปีมนุษย์ก็500กว่าล้านเนี่ยนะ500กว่าล้าน500กว่าล้านปีนะทีนี้พอก็สวยสุขในในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เหตุการณ์ก็เกิดมหาวีโลกนะขึ้นเนี่ยนะก่อนที่พระโพธิสัตว์จะจุติก็เกิดโกลาหนขึ้นปกติโกราหนมีหลายอย่างเช่นพุทธโกราหนจกักรวรตีโกราหนมงคลโกราหนเนี่ยนะตอนนั้นก็ได้เกิดพุทธโกราหนขึ้น เกิดเหตุการณ์นั้นเทวดาทั้งหลายก็มาอาราธนาให้เท้าสันดุสิตเนี่ยนะหลายแห่งเรียกว่าเท้าวสันดุสิตเทพรตรจุติก็คื อ, อถึงเวลาได้สมควรจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่างั้นเทวดาทั้งหลายก็มาอาราธนาการพระองค์ก็พิจารณามหาวิโลกณนะก็มาปฏิสนธิเรียกว่าเจ้าทายสิทธะปฏิบัติธรรมก็สา ม, มารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ชูชกในการนั้นก็เป็น พระเทวทัตในบัดนี้เนี่ยนะนางอมิตตาปนาในการนั้นก็คือนางจินจะมานวิกาในบัดนี้ทั้งคู่นิชาตินี้แผ่นดินสูบทั้งคู่พระเทวทัตก็แผ่นดินสูบนางจินจะมานิวกาก็แผ่นดินสูบเนี่ยนะส่วนในพรานเจตบุตรก็คือพระช น, นะพิสูจที่เป็นสหรชาติที่ออกบวช ด, ด้วยการตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต อจจุตดาบทก็คือพระสารีบุตรผู้เป็นเอตทัคคะเลิศทางปัญญาเท้าสากเทวราชก็คือพระนุรุทธะผู้เป็นเลิศทางตาทิพย์เนี่ยนะพระเจ้าสันชัยนรินทรราชเนี่ยนะก็คือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชเนี่ยนะก็คือเป็นพ่อกันมาหลายชาติแล้วนะพระนางพฤษีเทวีก็คือพระนางสิริมหามายาพนางมัสสีเทวีก็คือ พยาโสธราพิมพ์พามานดาพระราหุลเ น, นี่ยเลยส่วนชาลีกุมารก็คือพระราหุลกันหาชินาก็คือภิกษุณีอุบลวันนาผู้เลิศทางอิทธิวิธีนะอิทธิทางพระผู้ชายก็พระโมคคลานะผู้หญิงก็คือเนี่ยพระนางอุบลวันนาราชบริษัทนอกนี้ก็คือพุทธบริษัทมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่านะน่าจะมีบ้างนะ ก็พระเวสสันดรมหาราชก็คือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าแลเนี่ยนะเราก็มาเป็นพุทธบริษัทรุ่นท้ายเนี่ยนะ